สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามหิดสาราธิบดีมีพระราชองค์การดำรัสตรัสถามปัญหาอื่นสืบไปว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาโยมนี้มีความสงสัยเหตุฉไหนในเหมันตะฤดูพระอาทิตย์จิงแผดแสงกล้าในคิมหะหรดูเหตุฉไหนจิงแผดแสงอ่อนไปไม่แผดแสงกล้าเหมือนอย่างนั้น